ศีลปรตุปาทานศีลปรตุปาทานความยึดมั่นในศีลพระที่ไม่ใช่ทางสู่ความดับทุกข์หมายถึงความยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่นำไปสู่ความดับทุกข์เป็นความเห็นผิดที่เชื่อว่าการประพฤติเหมือนโครหรือสุนักหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นหนทางจะนำให้สิ้นสุดทุกข์ได้ ในสมัยพุทธกาลมีนักบวชที่เปลือยกายกินถ่ายเดินสีขาและนอนบนพื้นดินโดยเชื่อ ว, ว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้จะช่วยล้างบาปกรรมในอดีตชาติและไม่ก่อให้เกิดกรรมใหม่ทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อตายลงก็จะพ้นจากความทุกข์และได้เสวยสุขชั่วการนานสำหรับพุทธศาสนิกชนอาจเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่มีความเชื่อนี้อยู่ในโลกแต่คนเราย่อมมีความคิดเห็นมีอุปนิสัยและแนวโน้มไม่เหมือนกันในสมัยพุทธกาลปริพาตชคสองคนมาเฝ้าพระพุทธองค์คนหนึ่งชื่อปุณณนะประพฤษโพรต์เยี่ยงโคอีกคนหนึ่งชื่อเสนิยะประพฤติพรต์เยี่ยงสุนัก ทั้งสองได้ทูลถามพระพุทธองค์ถึงอนิสงค์ของการปฏิบัติของตนในตอนแรกพระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์จะตอบแต่เมื่อปริพาชกทั้งสองได้ทูลถามเป็นครั้งที่สามจึงได้ตรัสตอบว่าผู้ที่ประพฤติตนเยี่ยงโครหรือสุนักเมื่อตายไปย่อมไปเกิดเป็นโครหรือสุนัข และผู้ที่เชื่อว่าการปฏิบัติตนเช่นนั้นจะชักนำให้ไปบังเกิดในเทวโลกก็จัดเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายลงก็จะต้องไปเกิดในนรกภพูมหรือในกําเนิดดิรชานหลังจากนั้นได้ตรัสกรรมสี่อย่างคือ 1. กรรมชั่วที่ให้ผลชั่ว 2. กรรมดีที่ให้ผลดี 3. กรรมทั้งชั่วและดี ที่ให้ผลทั้งชั่วและดี 4. การปฏิบัติตามอริยมรรคที่นำไปสู่ความดับอย่างสิ้นเชิงของกรรมทั้งดีและชั่วเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาปุณณปริพาชคได้ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกส่วนเสนียะปริพาชคได้ขอบรรพชาอุปสมบทและได้ปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันในการต่อมา เรื่องโกรัติยะในสมัยพุทธกาลมีนักบวชชนิกายะอเจลกะชีเปลือยคนหนึ่งชื่อว่าโกรัติยะประพฤติวัดเยี่ยงสุนักพำนักอยู่ในนิคมอุตรกาวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสุนักขติยะซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์ชาวี ได้ผ่านไปเห็นโกรัติยะเดินสีขาและกินอาหารจากพื้นดินโดยไม่ได้ใช้มือพระสุนักขตตะเกิดมีจิตเลื่อมใสว่าผู้ประพฤติเยี่ยงสุนักนี้เป็นพระอรหันต์ที่มีความปรารถนาน้อยแต่ความจริงการปฏิบัติของโกรัติยะจัดเป็นศีลพุทตะปาทานที่จะส่งผลให้ไปเกิดในอบาย ซึ่งเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์แต่พระสุนัขขัด ต, ตะกลับเห็นว่าเป็นความดีงามเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเคยมีความยึดมั่นอย่างนี้มาในพบก่อนพระพุทธองค์ทรงทราบถึงจิตที่มีมิจฉาทิฏฐิซึ่งขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์จึงตรัสว่า เธอเห็นว่าอเจลกะผู้นี้เป็นพระอรหันต์เธอควรละอายที่เรียกตนเองว่าเป็นสาวกของเราแต่พระสุนักขตตะกลับทูลตอบว่าพระพุทธองค์ทรงฤทธิ์าอารหันตคุณของโกรัติยะพระองค์จึงทรงอธิบายต่อว่าทรงมีพระประสงค์จะให้สุนักขตตะชำระความเห็นผิดที่เป็นโทษเสียจากนั้นได้ทรงพยากรณ์ว่า ในอีกเจ็ดวันข้างหน้าโกรคัติยะจะตายด้วยโรคอาหารไม่ย่อยแล้วจะไปเกิดเป็นอสุรกายชื่อกาละกันจิกะซึ่งเลวที่สุดในพวกอสุรกายศพของเขาจะถูกนำไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อว่าวิระนัฏธรรมภกะถ้าพระสุนัขขัดตะ ต, ตามไปที่ป่าช้านั้นแล้ว ถามถึงคติของเขาศพก็จะตอบให้ทราบ พ, พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสพยากรณ์นี้ก็จะเพื่อสงเคราะห์ให้พระสุนัขขตตะกลับมามีศรัทธาเลื่อมสายในพระองค์พระสุนัขตตะได้เคยเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานได้ทิพจักสุที่สามารถมองเห็นเทวดาในสวรรค์ แล้วประสงค์ได้ยินคำพูดของเทวดาเหล่านั้นจึงเข้าไปกราบทูลขอกรรมฐานเพื่อให้ได้ทิพย์พศแต่พระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าไม่อาจเป็นไปได้เพราะมีกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้เป็นเครื่องขัดขวางจึงไม่ทรงตรัสบอกกรรมฐานให้เป็นเหตุให้พระสุนัขขัตาเสื่อมศรัทธาด้วยเพราะว่าคิดว่าพระองค์ทรง ม, มีความริษยา จึงไม่ตรัสบอกกรรมฐานพระพุทธองค์ทรงพยากรคติของโกคติยะเพื่อกําจัดความเห็นผิดของพระสุนขัขขตตะเพื่อให้ได้กลับมามีศรัทธาที่ถูกต้องพระสุนขัขขตตะคิดจะหักล้างคําพยากร์ของพระพุทธองค์ซึ่งไปเตือนโกรคัติยะไม่ให้กินอาหารมากเกินไป เขาได้อดอาหารอยู่ถึงหกวันพอถึงวันที่เจ็ดเกิดความหิวโหวยมากจึงได้กินอาหารอย่างดีที่สาวกนำมาให้แล้วก็ตายเพราะอาหารไม่ย่อยในคืนนั้นเองบรรดาสหายนักบวชได้เอาเถาวันมัดศพแล้วพากันลากไปยังป่าช้าแห่งอื่นเมื่อไปถึงกลับปรากฏว่าเป็นป่าช้าตามคำพยากรณ์ ครั้นจะพยายามลากศพไปไว้ที่อื่นเชือกที่มัดอยู่ก็ขาดจึงต้องทิ้งศพไว้ในป่าช้านั้นพระสุนัขขัดตะแม้จะได้ข่าวเช่นนั้นก็ยังหวังที่จะหักล้างคําพยากรณ์ที่เหลือจึงเข้าไปที่ป่าช้านั้นเอามือตบที่ศพของโกระัตติยะแล้วถามว่าท่านทราบคติของท่านหรือ สพนัดลุกขึ้นยืนและตอบว่าเราได้ไปบังเกิดในกาลกันจิกาศูนย์แล้วล้มลงนอนที่พื้นดินกาลกันจิกาศูนย์เป็นอสุรกายที่เลวที่สุดในบรรดาอสุรกายซึ่งคล้ายกับเปรตมีรูปร่างสูงสามคาวุธคือ10กิโลเมตรแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มไม่สามารถที่จะ หรือดื่มน้ำได้โดยสะดวกต้องพร้อมโซหิวโหวยอดอยากตลอดเวลาในคำพีอักตกถากล่าวว่าเหตุที่ศพของโกรคัติยะลุกขึ้นพูดได้เป็นเพราะถูกอสุรกายเข้าสิงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่พระพุทธองค์จะทรงบันดาลให้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพเพราะแม้แต่พ่อมดหมอผี ที่มีเวทมนต์ก็สามารถปลุกผีให้ฟื้นได้จนในที่สุดพระสุนัขัตตะจึงต้องกลับมาอย่างผิดหวังแล้วกราบทูลว่าคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์เป็นความจริงทุกประการแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้กลับมาศรัทธาในพระพุทธองค์ภายหลังได้ลาสิกขาไปแล้วกล่าวลบลูพระปรมาสดา ศีลพรษอื่นๆนอกจากความประพฤติเยี่ยงโคและสุนักแล้วยังมีศีลพรษอย่างอื่นกล่าวไว้ในคำพีมหานิเทศเช่นบางคนบูชาช้างม้าอิกาพระศิวะพระนารายหรือบูชาไฟพญานาคพระจันพระอาทิตย์หรือพูดผีเป็นต้น ถ้าการบูชาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากทุกข์ย่อมจัดเป็นศีลพุตตะปาทานทั้งสิ้นกล่าวโดยย่อคือการประพฤติปฏิบัติทุกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับอริยสัจสี่และมรคมีองค์8จัดว่าเป็นศีลพรสและความยึดมั่นในศิลพรสเหล่านี้ว่าเป็นหนทางเพื่อความหลุดพ้นเรียกว่า ศีลัพุตตปาทานอย่างไรก็ตามการบูชาเทพที่เป็นประเพณีในกลุ่มของชาวพมา่าไม่ได้เกิดจากความปรารถนาจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัตแต่เกิดจากความหวังที่จะได้รับประโยชน์ทางวัตถุในชาตินี้จึงไม่นับเข้าในสีลับพุตตปาทานแต่ถ้าความยึดมั่นนั้น ทำให้ต้องฆ่าสัตว์เพื่อทำพรีกรรมต่อเทพเหล่านั้นก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมซึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลด้วยการกำหนดรู้นามรูปย่อ ม, มีความเข้าใจท่องแท้เกี่ยวกับหนทางที่ถูกต้องสู่พระนิพพานจึงย่อมเป็นอิสระจากศิลพรสทั้งหลาย และรู้โดยประจักษ์ได้ว่าทางสายเดียวที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้ก็คือการปฏิบัติตามอริยมรมีองค์แปดและด้วยการกำหนดรู้รูปนามในกายของตนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นหากท่านเคยเดินทางจากศูนย์วิปัสสนาแห่งนี้ไปยังพระเจดีย์ชเวดากองท่านก็ย่อมรู้ทางด้วยประสบการณ์ของตัวเอง และไม่หลงเชื่อคนที่พยายามชี้ทางที่ผิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เช่นเดียวกันย่อมรู้ทางที่ถูกต้องสู่พระนิพพานจึงไม่มีความหลงผิดเกี่ยวกับศีลพรุต่างๆเช่นการเชื่อถือพระเจ้าการบูชาเทพหรือการทรมานตนให้ลําบากว่าเป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ ในสังสารวัฏส่วนผู้ที่ยังไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมไม่พ้นจากความหลงผิดโดยอาจได้รับการสอนจากบิดามารดาครูอาจารย์หรือเพื่อนที่ไม่รู้จริงหรืออาจขาดความเข้าใจเบื้องต้นที่มีความถูกต้องจึงหลงเชื่อตามหนังสือที่ชักนําให้ปฏิบัติในทางที่ผิดปุถุชนคนทั่วไป ที่ยังไม่รู้ย่อมต้องประสบกับครูอาจารย์และวิธีปฏิบัติอันมากมายแตกต่างกันตลอดสังสารวัฏอันยาวนานถ้าหลงเชื่อครูที่ผิดหรือปฏิบัติศีลพรสที่ผิดก็ย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์ดังเช่นการบำเพ็ญทุกขระกิรยิยาย่อมก่อให้เกิดความลำบากและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และการฆ่าสัตว์เพื่อทำพรีกรรมย่อมเป็นเหตุนำไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนความเชื่อว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็จัดเป็นศีลับพัตุปาทานเช่นเดียวกันในความจริงแล้วการรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยหรือการบำเพ็ญโลกิยชฌานแม้จะเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ ก็อาจนำไปสู่ศีลพัตุปาทานก็อาจนำไปสู่ศีลพัตุปาทานได้หากไม่เกี่ยวเนื่องกับการเจริญอริยมรรคหรือเพื่อเป็นบาทแห่งวิปัสนาในสังยุตติกายอุทธกัสูตตได้กล่าวถึงอุทธกาดาบทซึ่งบาลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานด้วยการบำเพ็ญอรูปฌาน แล้วประกาศว่าตนได้ทำลายเหตุแห่งทุกจนหมดสิ้นแล้วอลาราดาบทก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่สำคัญตนผิดเช่นเดียวกันความเห็นผิดหรืออุปทานนี้จึงเป็นสาเหตุให้ทำกุศ ล, ลกรรมซึ่งชักนำให้ไปเกิดในอรู ป, ปภูมิและเมื่อมีชาติเกิดขึ้นชราและมรณะเป็นต้น ก็ย่อมเกิดขึ้นติดตามมาอย่างแน่นอนดาบทสองท่านนั้นพยายามเพื่อที่จะหลุดพ้นจากภพแต่ยังต้องเวียนอยู่ในภพดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพกาพรหมมีใจความว่าเราเห็นภัยของชาติชาราและมรณะเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพ อรูปภพเราเห็นผู้ที่สแสวงหาพระนิพพานยังติดอยู่ในภ พ, พจึงไม่สารเสริญในภพใดภ พ, พหนึ่งทั้งไม่ยึดมั่นในภ พ, พอีกด้วยผู้ที่ไม่เคยสดับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ย่อมไม่ตากจากอุทกาดาบทและอาราลดาบทที่ไม่สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดได้ แม้ว่าจะได้พยายามแสวงหาความสุขที่ถาวรแต่กลับปฏิบัติเสียพรษที่ผิดทำให้ต้องติดอยู่ในสังสารวัตที่เต็มไปได้วยทุกข์ดังนั้นจึงควรต้องย้ำความสำคัญของสัมมาวายามะความเพียรชอบซึ่งพระศาสดาได้ทรงแสดงไว้แล้ว อัตวาทุ ป, ปาทานอัตวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในอัตตาคําว่าเป็นคําสมาธที่มาจากอัตวาทะความเชื่อในอัตตาบวกอุปทานความยึดมั่นดังนั้นอัตวาทุ ป, ปาทานจึงหมายถึงความยึดมั่นในความเห็นว่าทุกบุคคลประกอบด้วยอัตตา หรือวิญญาณที่เที่ยงแท้ถาวรความยึดมั่นในความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนนี้จำแนกเป็นสองประเภทคือความยึดมั่นปกติและความยึดมั่นที่ยังลึกฝังรากในกระแสจิตความยึดมั่นอย่างปกติมากมีอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธศาสนาชนที่ไม่ได้ศึกษาจริง ความเห็นผิดนี้ไม่ฝังลึกไม่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการบรรลุมรรคผลเพราะพุทธศาสนิกชนยังเชื่อคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งปฏิเสธวิ ญ, ญญาณที่เที่ยงแท้ถาวรและยังยอมรับว่ารูปนามเป็นสภาวะธรรมที่แท้จริงซึ่งประกอบเข้ากันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสาหรับชาวพุทธที่มีปัญญา ย่อมหลงผิดน้อยลงอีกปพระทราบว่าการเห็นและการได้ยินเป็นต้นเป็นเพียงการประชุมกันของอายตนะภายในจะขู่ภาษาทรูปโสตปับสาทารูปเป็นต้นและอายตนะภายนอกรูปารมณ์สัทธารมเป็นต้นพร้อมทั้งวิญญาณที่รับรู้อารมณ์จะขูวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้นบุคคลทั่วไปมักยังไม่หลุดพ้นจากความเชื่อในอัตตาอย่างแท้จริงแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญวิปัสสนาอยู่ก็ยังอาจมีความเห็นผิดอยู่เป็นครั้งเป็นคราวว่ามีตัวตนผู้ปฏิบัติอยู่ที่จริงแล้วบุคคลทุกคนที่ยังไม่บรรลุมรรคยาน ย่อมจะไม่สามารถละความเห็นผิดนี้ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นคนทั่วไปจึงมักคิดอยู่ว่ามีตัวตนและสามารถตัดสินใจเลือกวิถีทางของตนได้อย่างอิสระความเห็นผิดนี้กําจัดได้ด้วยวิปัสนาภาวนาเท่านั้นไยอัตวาทีบุคคลที่สอนให้เชื่ออัตานั้นกล่าวว่า อัตาเป็นเจ้าของขันห้ามีอิสระที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามสัจจกะนิครนว่าเธอกล่าวว่าขันของเธอเป็นอัตาถ้าเป็นอย่างนั้นเธอสามารถบังคับขันห้าให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ได้หรือไม่ สัจจานิครนทูลว่าไม่สามารถบังคับได้พระพุทธเจ้าครั้นทรงถามต่อไปอีกสัจจานิครนจึงยอมรับว่าไม่สามารถบังคับบัญชาขันห้าได้เลยเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์จึงแปลข้อความว่ารูปปังอนัตตาว่าเป็นรูปบังคับบัญชาไม่ได้เป็นต้น นับเป็นการปฏิเสธความเป็นสามีอัตตาคือความสำคัญผิดว่าอัตตาเป็นเจ้าของและเป็นผู้บังคับบัญชารูปนามให้เป็นไปตามต้องการอันหนึ่งฝ่ายอัตวาทียังเชื่ออัตตาจะดำรงอยู่อย่างถาวรในร่างกายของสัตว์โลกเป็นตัวตนที่คงอยู่ตลอดชีวิต และกล่าวว่าอัตตาเป็นผู้กำหนดการกระทําทุกอย่างจึงเท่ากับว่าอัตตาคือสังขารขันความเห็นผิดนี้ก่อให้เกิดความเชื่อว่าเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ได้ยินเป็นต้นนอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าอัตตาเป็นตัวตนที่รู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นจึงเท่ากับว่าอัตตาคือเวทนาขันดังนั้น แม่อาจารย์ฝ่ายอัตวาทีจะยืนยันว่าอัตตาไม่ใช่ขันห้าแต่การกล่าวยกให้อัตตาเป็นเจ้าของรูปร่างหน้าตาโดยพานักอยู่ในร่างกายอย่างถาวรและเป็นผู้คิดผู้รู้สึกก็เท่ากับสรุปว่าอัตตาคือขันห้าความเห็นผิดในอัตตาตัวตนนี้มีต้นเหตุมาจากขันห้าดังนั้น บุคคลจะหลุดพ้นจากความเห็นผิดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นขันห้าตามความเป็นจริงด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาเท่านั้นในบรรดาอุปทานทั้งสชนิดที่กล่าวมาแล้วนั้นการมุปาทานคือตัณหาที่พัฒนาจนมีกำลังแรงส่วนอุปทานสามชนิดที่เหลือเป็นการยึดมั่นในความเห็นผิดต่างๆได้แก่ ความเห็นผิดว่ามีอัตตาความเห็นผิดในศสิลพรษที่ไม่ใช่มักมีองแปดและความเห็นผิดอื่นที่นอกไปจากสองข้อแรกเพราะโดยองค์ธรรมคือทิฏฐิมีลักษณะแตกต่างออกไปความเห็นผิดทั้งปวงนั้นล้วนมีรากเหง้ามาจากตัณหาทั้งสิ้นเหตุที่ยังยึดมั่นอยู่เพราะเขาพอใจความเห็นผิดนั้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอุปทานทั้งสีล้วนเกิดมาจากตัญหาเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าตัญหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอันที่จริงตันหาเป็นเหตุและอุปทานเป็นผลกล่าวคือความยินดีพอใจในก ร, รมคุณความพอใจในอัตตาตัวตน และความพอใจในศิลป์เป็นเหตุส่วนความพอใจที่ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นความยึดมั่นนั้นจึงเป็นผล